มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะบอกให้เรารู้ว่าพวกเรานี้เป็นเหมือนผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนที่ตรวจสลากรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาที่เราซื้อลอตเตอรี่มา เราก็ต้องไปตรวจกับใบใบตรวจ tery, ลอตเตอรี่รางวัลต่างๆถ้าเราไม่มีใบตรวจเราก็จะไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อมานี้ถูกรางวัลหรือไม่แต่พอเราไปดูใบตรวจสลากรางวัล เราก็จะได้รู้ว่าเราถูกรางวลหรือไม่มการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะได้รู้ว่าพวกเราทุกคนได้ถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งของชีวิตของพวกเราทีเดียวที่มีรางวัลมีคุณค่าราคามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลาย ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะรางวัลที่เราจะได้รับจากการถูกรัตตรี่ของพระพุทธศาสนาก็คือเราจะได้พระนิพพานที่มีแต่บรมมาสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขต่างๆที่เราได้จากเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ก็ซื้ความสุขจากการที่เราได้พระนิพพานไม่ได้ความสุขที่เราได้รับจากการมีตําแหน่งต่างๆก็สู้ความสุขที่เราได้รับจากพระนิพพานไม่ได้ความสุขที่เราได้รับจากรางวัลต่างๆรางวัลเหรียญทองต่างๆก็สู้ความสุขที่เราได้รับจากพระนิพพานไม่ได้ ความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็สู้ความสุขที่เราได้รับจากพระนิพพานไม่ได้พระนิพพานนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาความสุขทั้งหลายที่พวกเราจะสามารถเข้าถึงได้แต่การที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานได้ เราต้องมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้พาเราไปและเราต้องเป็นมนุษย์เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้อย่างยากมากคือนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้สักครั้งหนึ่ง ละพอปรากฏแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ศาสนาแต่ละครั้งจะมาปรากฏขึ้นมาเพื่อพุทธศาสนาจะปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้พระธรรมอันประเสริฐคือมาค้นพบพระนิพพานนั่นเองว่าวิธีไปถึงพระนิพพานนี้ไปอย่างไร พอมีพระพุทธเจ้ามาพบทางที่พาไปสู่พระนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้พอถึงพระนิพพาน ก็จะเป็นพระอรหันตสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะมาช่วยพระพุทธเจ้าสอนผู้อื่นให้ไปถึงพระทิพพนิพพานได้พระพุทธศาสนาก็จะอยู่ขึ้นมาได้ด้วยการมีพระพุทธเจ้าด้วยการมีพระธรรมคำสํคสอนและมีพระอรหันตสาวุก ที่จะช่วยพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคำสั่งคำสอนมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราตามลำดับต่อไปสำหรับศาสนาของพวกเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีหลังจากนั้นก็จะหายสาบสูญไปจากโลกนี้เหมือนกับ วัตถุต่างๆถาวรและวัตถุต่างๆที่มนุษย์เราได้สร้างขึ้นมาในอดีตที่สูญหายไปที่พวกเราไม่รู้จักก็มีเยอะแยะนานๆก็อาจจะไปค้นพบขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง เ, เช่นเวลาขุดดินเข้าไปแล้วก็ไปเจอสุสารไปเจอที่ฝังศพอะไรต่างๆถึงจะได้ค้นพบว่ากอยมี สิ่งที่ยิ่งใหญ่สวยงามปรากฏอยู่ในโลกนี้แต่การเวลาได้ทำให้มันสูญหายไปฉันในพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปภายในห้าพันปีสำหรับศาสนาเราตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางคือประมาณส5งพันห้าร้อยกว่าปี เหลืออีกประมาณ 2,400 กว่าปีก็จะหายสาบสูญจากโลกนี้ไปหลังจากนั้นก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรู้มาค้นพบพระนิพพานอีกครั้งหนึ่งซึ่งระยะเวลาจากนั้นจะต้องใช้เวลายาวนานมากทางภาษาโบราณแทกเรียกว่าเป็นกลับเป็นกัน ถ้าเราจะประมาณก็ลองเอาเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ถ้าเราตามด้วยเลขศูนย์หตัวเราก็จะได้หนึ่งล้านปีถ้าเราเอาเลขศูนย์เราเลขเลขศูนย์ตามเลขหนึ่งหนึ่งหมืนเลขคิดดูจะได้กี่ปีด้วยกันเพียงแต่หกเลขก็ได้หนึ่งล้านปีแล้วถ้ามีเลขศูนย์หนึ่งล้านเลข ตามด้วยเลขหนึ่งเนี่ยจะดูซิว่าเวลาจะกี่กี่ล้านล้านปีกันนั่นแหละคือระยะเวลาประมาณหนึ่งกับแล้วถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรุปพระธรรมคำสอนมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ ช่วงระยะเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครรู้ทางไปสู่พระนิพพานได้ไม่มีใครสามารถไปรับรางวัลอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาได้คือความสุขที่เป็นบร ม, มสุขนิ บ, บานังปรมังสุขขังและโอกาสที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ ในแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายการจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องไปรับผลบุญหรือรับผลบาปก่อนแล้วจึงค่อยมารอรับร่างกายของมนุษย์ร่างกายของมนุษย์คือพ่อแม่ที่จะทับผลิตร่างกายของมนุษย์ก็มีน้อยกว่าร่างกายของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ มีจำนวนมากกว่ามนุษย์หลายล้านเท่าเลยกันและเวลาที่สัตว์ในราชาล์เขาออกลูกทีหนึ่งเขาก็ออกทีเป็นโหลเป็นฝูงแต่มนุษย์นี่จะออกกันน้อยมากออกกันทีละปีละเาปีละคนและก็สมัยยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ มนุษย์บางทีก็มีวิธีห้ามไม่ให้มีการเกิดจึงทำให้ปริมาณของการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีจำนวนน้อยมากถึงแม้จะได้พ้นบาปพ้นบุญแล้วแต่ไม่มีพ่อแม่ที่จะให้กำเนิดก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ ก็ต้องรอคิวอยู่ในโลกทิพย์ไปก่อนอยู่เป็นดวงวิญญาณไปก่อนจนกว่าจะมีพ่อแม่มาแต่งงานกันแล้วก็มาผลิตลูกถึงจะได้ร่างกายของมนุษย์ถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะเดียวกับที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้หรือไม่เนีย นี่คือความยากของสิ่งทั้งสองการเกิดของพระพุทธศาสนาก็เป็นของยากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากแล้วโอกาสที่ของยากทั้งสองอย่างนี้จะมาปรากฏขึ้นพร้อมกันก็ยิ่งเป็นของยากหลายเท่าอย่างน้อยก็สองเท่าพวกเรานี้จึงถือว่า เป็นพวกที่มีโชคมากเป็นเหมือนพวกที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าเราไม่ไปตรวจรางวัลเราก็จะไม่รู้อีกว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพวกที่ไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาเนี้เขาจะไม่รู้ว่าเขามีโชคมหาศาลเขาได้ถูกลอตเตอรี่เขามีสิทธิ์ที่จะไปรับ รางวัลคือพระนิพพานแต่ถ้าเขาไม่มาศึกษาจากพระพุทธศาสนามาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นเหมือนคนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่มีที่ตรวจลอตเตอรี่ถ้าซื้อมาแล้วไม่มีที่ถูกตรวจลอตเตอรี่ก็เสียเวลาเปล่า เพราะไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมานี้ถูกรางวัลหรือไม่นั่นเองพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาก็จะเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่ไปเสียโชคครลาบอันยิ่งใหญ่ไปแต่ถ้ามาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้พบว่าตนเองได้ถูกลอตะเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้พระนิพพานเป็นสมบัติถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกก็จะไม่มีทางที่จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองต่อให้เก่งชักกาดฉลาดขนาดไหนก็ตาม ต่อให้จบปริญญาเอกต่อให้ได้รับรางวัลโนเบลอะไรต่างๆที่ประกาศเกียรติคุณความฉลาดความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นนั้นการได้รางวัลการได้จบปริญญาเอกนี่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะค้นพบพระนิพพานได้ การจะค้นพบพระนิพพานได้นี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ด้วยตนเองก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งเมื่อปรากฏแล้วก็ได้โปรดสัตว์โลกด้วยการนำเอาความรู้ที่ได้ส่งค้นพบ มาเผยแผ่สั่งสอนมาตั้งเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เถอว่ามีโอกาสที่จะได้ไปรับรางวัลได้ไปพันิพานได้ถ้ามาเกิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นมาเป็นนกเป็นแมว เป็นสิงสาราสัตว์ที่อยู่ในป่านี้ถึงแม้จะอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่กับพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้เช่นช้างกับลิงที่ไปอุปถากพระพุทธเจ้าในป่ามีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปทรงประทับอยู่ในป่าตามลำพังก็มีช้างกับลิงมาอุปถาก แต่ช้างกับลิงนี้ไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้응ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ทั้งๆ ท, ที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ ยินได้ฟังไม่เข้าใจคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะไปพันิพานได้อันนี้ก็เหมือนกับมนุษย์ที่พวกที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่กับไม่สนใจที่จะมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือที่มีการแสดงโดยพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีถ้าไม่เข้าหาพระธรรมแล้วถึงแม้ว่าจะได้ถูกวัตรี่รางวัลที่หนึ่งก็จะไม่รู้ว่าตนเองได้ถูกวัตรี่นรางวัลที่หนึ่งไม่รู้ว่าวิธีไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งนี้ขึ้นได้อย่างไรนะครับ ก็เป็นเหมือนกับได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีๆนี่เองได้มาเป็นเหมือนพวกวิ่งพวกช้างที่ถึงแม้ว่าจะได้อุปถาพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดนะได้รับอย่างมากก็คือได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้าได้รับใช้ได้อุปถาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเป็น บุญขั้นต่ำเป็นรางวัลเลขท้ายสองตัวเท่านั้นแต่จะไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งคือพระนิพพานนี่แหละคือเรื่องของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี้ตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพไหนตามหลักธรรมคำสอนท่านสอนว่าพวกเราเป็นเหมือนผู้ที่ติดอยู่ในคุกในตารางนี่เอง คุกตารางของพวกเรานี้มีกำแพงกั้นอยู่สี่ด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยด้านที่สี่เรียกว่าตายนี่แหละคือกำแพงคุกตารางของพวกเราพวกเราทุกคนตอนนี้ติดอยู่ในคุก ของการเกิดแก่เจ็บตายพวกเราเป็นดวงวิญญาณที่ได้ร่างกายพอได้ร่างกายร่างกายก็เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายพอตายไปดวงวิญญาณของพวกเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ ดวงวิญญาณของเราติดอยู่ในคุกนี้เพราะถูกอำนาจของโมหะาอาวิชชาของตัณหาความอยากเป็นตัวที่ดึงให้เราติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายโมหะาอาวิชชาก็คือความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน <c ười> ก็เลยไปคิดว่าความสุขที่แท้จริงความสุข ที่แท้จริงอยู่ที่การไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมกูกนิ้วกายจึงทำให้ความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้ดึงให้ดวงวิญญาณมาหาร่างกายมาเกาะติดกับร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เอง เราต้องมีตาถึงจะเสบรูปได้มีหูถึงจะเสบเสียงได้มีจมูกถึงจะเก็บเสบกลิ่นได้มีลิ้นถึงจะเสบรสได้และมีร่างกายถึงจะสัมผัสสิ่งที่มากระทบกับร่างกายได้เช่นความรู้สึกความรู้สึกแข็งนุ่มเื อ, เ อ, อหนาวเย็นนิร้อนต่างๆเป็นต้นเนี่ย อันนี้ต้องมีร่างกายพอเรามีร่างกายเราก็ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกั น, กนไปดูไปฟังอะไรต่างๆไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่บันเทิงสถานที่มหรสยสถานที่ท่องเที่ยวทำไมสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นมา ทำไมพวกเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วหาความสุขกันไม่ได้เหรอก็เพราะว่าเรามีความอยากฝังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนั่นเองมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงพาให้เราต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่บ้านไม่ได้เพราะที่บ้านไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เราเสพนั่นเอง เลยต้องออกนอกบ้านกันอยู่เรื่อยๆและก่อนที่จะไปเสบรูปเสียงกลียนรถได้ก็ต้องไปหาทรัพย์ก่อนนพอถ้าไม่มีทรัพย์ก็ไปซื้อรูปเสียงกลียนรถต่างๆมาเสบไม่ได้นั่นเองจึงต้องมีการแสวงหาลาศก่อนหายศ พราถ้ามียศก็จะทําให้การหายะหาราบนี้หาได้ง่ายเอใครมีตําแหน่งมีอํานาจอสามารถที่จะกอบโกยเงินทองได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่มียศไม่มีอํานาจก็เลยต้องแสวงหายศกันเพื่อที่จะได้หาเงินหาทองได้ง่าย มืได้เงินทองมาก็เอาไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสพกันทางตาหูจมกูกนิ้นกายเนี่ยนี่แหละคือทำไมดวงวิญญาณของพวกเราเวลาไม่มีร่างกายถึงต้องไปคอยรอรับร่างกายอันใหม่เพราะเราในดวงวิญญาณนั้นมันมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองจึงต้อง ไปรอรับร่างกายพอรับร่างกายก็เลยต้องไปติดคุกติดคุกของการเกิดแก่เจ็บตายเอแล้วก็เปลี่ยนคุกไปเรื่อยๆตายจากคุกนี้ก็ไปเกิดอีกคุกหนึ่งอได้ร่างกายอันนี้ก็เหมือนติดคุกของร่างกายอันนี้ติดคุกของการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายอันนี้พอร่างกายอันนี้ตายไป ความอยากในใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นดวงวิญญาณที่มีความอยากฉุดลากให้ไปหาร่างกายอันใหม่และก่อนที่จะไปได้รับร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีร่างกายพอเวลาที่มีร่างกาย เวลาที่จะหาทรัพย์สมบัติหาเงินทองหายศหาตำแหน่งบางทีก็อาจจะไปหาโดยวิธีทําบาปเพราะวิธีทําบาปมันเป็นวิธีที่จะทําให้หาได้ง่ายหาได้เร็วและหาได้มากนั่นเองใครที่มีความอยากมากมากก็มักจะไปทางนั้นไปทางบาปแต่ไม่รู้ว่าการ ทำบาปนี้มีผลที่จะต้องไปชดใช้ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วออส่วนบางคนเวลาที่หาทรัพย์สมบัติได้มากมากก็มีความเมตตาเห็นคนอื่นทุกข์ยากเดือดร้อนก็เอาไปแบ่งช่วยเหลือคนที่เข้าทุกข์ยากเดือดร้อน ก็เรียกว่าได้ทำบุญอนนี้คือเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์เรามาแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกั น, ด, กนด้วยการหาเงินหาทองบางคนก็หาโดยวิธีทำบาปบางคนก็หาโดยวิธีไม่ต้องทำบาปคนที่หาได้มากกว่าที่จะใช้ได้ก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นก็มี ไม่แบ่งก็มีบางคนมีมากแต่ก็ไม่แบ่งใครเพราะความตะนนีเพราะความหวงเพราะความกลัวความยากจนกลัวว่าถ้าไปแบ่งให้คนอื่นใช้แล้วเดี๋ยวตัวเองจะยากจนก็ไม่ได้ทำบุญก็มีบางคนรวยแล้วไม่ได้ทำบุญบางคนรวยด้วยการทำบาปแล้วก็ไม่ได้ทำบุญ เวลาตายไปเนี่ยดวงวิญญาณก็ต้องไปรับผลบาปที่ได้ทําไว้พวกที่ได้ทําบุญเวลาตายไปก็ไปรับผลบุญถ้าไปรับผลบุญเราก็เรียกว่าไปสวรรค์ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขที่เรียกว่าเทวดานในระดับต่างๆถ้าทําบาป เวลาตายไปดวงวิญญาณก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ที่เรียกว่าเปรตเรียกว่าอาสุรกายเรียกว่านารกหรือถ้าไปมีร่างกายก็ไปมีร่างกายของสัตว์เบลฉ า, านจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้หมดก็หมดอำนาจหมดอิทธิพลต่อดวงวิญญาณถึงจะปล่อยให้ออกมารอ รับร่างกายของมนุษย์ต่อไปแล้วพอได้รับร่างกายของมนุษย์ก็มาทำบุญทำบาปเหมือนที่เคยทำไว้มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนที่ได้เคยทำไว้ต่อไปจึงเรียกว่าเป็นการติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองพอเกิดมาแล้วมีร่างกายแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีใครอยากจะเป็นกันแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นความทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์ที่ไปติดคุกติดตารางติดคุกติดตรางนี้ยังไม่ทรมานเหมือนกับเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเวลาตายนี่แหละคือสถานภาพของพวกเรา ที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเคอยเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นมาพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสั่งคาสอน ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพบกับพระาอราิยสงสารวกของพระพุทธเจ้าที่มีความรู้ที่จะสอนให้พวกเรารู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ได้ความสุขของพระนิพพานการที่เราจะได้ความสุขของพระนิพพาน เราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือที่จะทำให้เรานี้มีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้รู้จักวิธีหาความสุขของพันธิพานกันเมื่อเราไม่รู้จักการหาความสุข ของพันิพานเราก็จะไปหาความสุขแบบเดิมกันอย่างตอนนี้ถึงแม้พวกเราจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังวิธีหาความสุขของพันิพานเรายังไม่ไปหากันเลยเลือหากันก็หากันแบบน้มลุกคุกคานกันไปยังต้องกลับไปหาความสุขแบบเดิมกันอยู่ มีใครกล้าปฏิเสธไหมว่าตอนนี้ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วทั้งๆ ท, ที่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขของพระนิพพานอันนั้นก็เป็นเพราะว่าการที่เราจะเข้าหาความสุขของพระนิพพานได้นี้เราต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าแล้วเราต้องเห็นโทษของการหาความสุข ที่เราการหากันอยู่แบบนี้คือหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นการติดคุกติดตารางดีๆนี่เองติดคุกแห่งความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นความทุกข์มากยิ่งกว่าการติดอยู่ในคุกในตารางถ้าเราไม่เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเห็น ภัยของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพกไม่เห็นคุณค่าอันประเสริฐของความสุขของพันิพาน์เราก็จะยังไม่สามารถที่จะก้าวไปหาพันิพานได้เพราะเรายังเสียดายความสุขที่เราหามาได้กัน เสียดายข้าวของเงินทองที่เราหามาได้กันแต่เราไม่คิดถึงอนาคตที่จะตามมาต่อไปเวลาที่ร่างกายเราแก่เวลาที่ร่างกายเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายเราจะตายนี่มันจะไม่สามารถหาความสุขจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราหามาได้กันในขณะนี้ ตอนนั้นนั้นมันจะเป็นเวลาที่ทุกทรมานอย่างมากถ้าเราเห็นภัยของความแก่ของความเจ็บของความตายและเห็นคุณประโยชน์ของพระนิพพานอันนั้นน่ะมันจะทำให้เรามีความปรารถนาที่อันแรงกล้าที่จะทำให้เราก้าที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ที่เรามีอยู่นี้สละการหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็มุ่งไปหาความสุขจากพานิผ่านกัน <c oughs> การที่พวกเราจะทำอย่างนี้ได้เราต้องอาศัยตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราก็คือพระพุทธเจ้านี่เอง พระพุทธเจ้าท่านก็มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นจำนวนมากมีประสาทสามฤ ด, ดูมีบริษัทบริวารที่จะมาคอยตอบสนองความสุขทางด้านต่างๆให้กับพระองค์อยู่ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่คิดเป็นเป็นผู้ที่นึกภาพออก เมื่อทรงเห็นภาพของคนแก่ภาพของคนเจ็บภาพของคนตายภาพของนักบวชนะพระองค์ก็นึกถึงภาพของพระองค์เองขึ้นมาว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายเหมือนกับภาพของคนแก่คนเจ็บคนตายที่พระองค์ได้ไปเห็นเข้าเห็นแล้วก็รู้ว่าคนเหล่านั้นไม่มีความสุขเลย พ็มีแต่ร้องโอดโวรคางเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วจึงทำให้พระองค์นี้เห็นทางออกเห็นนักบวชเห็นนักบวชผู้แสวงหาความสุขจากการหลุดพน้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหาความสุขแบบที่ไม่ต้องชักร่างกายจึงทำให้พระองค์มีความกล้าหาร ที่จะสละทรัพย์สมบัติพระราชสมบัติของพระ อ, องค์ไปสละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเพราะรู้ว่าต่อไปในอนาคตจะไม่สามารถหาได้แล้วก็ส่องยอมไปทุกทรมานกับการสร้างความสุขทางใจความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ความสุขที่ต้องใช้ศีลใช้สมาธิและใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือพาไปสู่ความสุขของพระนิพพานด้วยความเพียรพยายามอั น, อนแรงกล้าในที่สุดพระองค์ก็สามารถไปถึงพระนิพพานได้พ อ, อหลังจากที่พระองค์ได้ไปถึงพระนิพพาน ได้สวยบรล ม, มัสุขของพระนิพพานแล้วพระองค์ก็ท่งเมตตาสละเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตตอนที่ตัดสรตวนี้อายุสามสิบห้าปีและทรงอยู่จนถึงอายุแปสิบปีก็คืออีกสี่สิบห้าปีด้วยกันพระองค์ท่งอุทิศเวลาสี่สิบห้าปีนี้มาให้กับการเผยแผ่วิธี ที่จะไปถึงพระนิพพานให้แก่พวกเรานถ้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเอาเวลามาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้กับพวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้เลยไม่สามารถที่จะออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรง ประกาศพระธรรมครั้งแรกยินดีที่จะอุทิศเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้แก่การเผยแผ่คำสั่งคำสอนเผยแผ่วิธีไปสู่พระนิพพานก็มีผู้สามารถน้อมนำไปปฏิบัติกันได้กันเป็นจำนวนมากเลยภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกเท่านั้น การประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งแรกนี้ประกาศในวันเพ็ญเดือน8ปดที่ผ่านมานี้วันเพ็ญเดือน8ก็คือวันอาสาฬห บ, บูชาเดือนกว่าๆนี่เราเข้าสู่เดือนเก้าแล้วแต่วันเพ็ญเดือน8ปดจนถึงวันมาคาบูชาวันเพ็ญเดือนสมก็เป็นเวลาเจดเดือนด้วยกัน บวกสี่ก็เป็น12 เ, 8, เดือน8ถึงเดือน12ก็เป็นสเดือนเดือน12ถึงเดือน3ก็เป็นอีกสมเดือนรวมกันก็เป็น7เดือนด้วยกันระยะเวลาเพียงเจเดือนของการเผยแผ่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏมีพระอ า, ารานตสาวกขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งันหรูป เพราะว่าวันนั้นวันมาคาบูชาวันเพ็ญเดือนสามก็มีพระอาหันตสาวกหนึ่งพันสองรอห้าสิบูปที่ได้บรรลุจากการศึกษาจากพระพุทธเจ้าได้บวชเป็นพระโดยพระพุทธเจ้าและได้ไปเผยแผ่ธรรมะในสถานที่ต่างๆ ต, ตามคำสั่งของพระพุทธเจ้า ได้มารวมตัวกันมาพบกับพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์ติดต่อกันแต่ท่านอาจจะมีกระแสจิตที่ติดต่อกันที่เราไม่รู้มีภาพละหันอย่างน้อยหนึ่งันสองรห้าิรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสาม เจ็ดเดือนหลังจากที่ได้ประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือมีผู้ที่ไปถึงมัดที่ผ่านได้แล้วอย่างน้อยหนึ่งสองรห้าสิบรูปมีผู้ที่ได้หลุดออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วหนึ่งพันสองรห้าสิรูปด้วยกันเพราะว่าพราอารหันต์ทั้งหมดนี้ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป พรท่านไม่ต้องมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปท่านสามารถหาความสุขจากพระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายท่านมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือพาให้ท่านไปถึงถึงพระนิพพานพอถึงพระนิพพานแล้วท่านก็อยู่ที่พระนิพพานไปตลอดไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตาย เหมือนอย่างพวกเราที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องมาลําลึกกันมาคิดกันเพื่อให้เกิดแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำให้เรามีความกล้าหาญที่จะสละวิธีหาความสุขแบบเก่าถ้าเราเห็นโทษว่ามันเป็นวิธีที่จะพาให้เราไปแก่ไปเจ็บไปตายกันอยู่เรื่อย เราก็จะเห็นว่าการสละวิธีหาความสุขแบบนี้มันเป็นการเหมือนกับการกำจัดยาพิษที่เราเอามาดื่มมารับประทานนั่นเองเฮ้ยเรากำลังดื่มยาพิษกันทุกครั้งที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เรากำลังเสพยาพิษกันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันเป็นยาพิษผ่อนสงมันไม่ได้ปรากฏผลขึ้นมาทันที ตอนที่เราไปเที่ยวกันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันมีความสุขมีความเพลิดเพลินกันเราก็ลหลงไหลทั้งคร้ไปกับความสุขแบบนี้แต่เรารู้ไม่รู้ว่ามันเป็นการผ่อนสุขผ่อนผ่อนเป็นความทุกข์ผ่อนสุขผ่อนผ่อนสงกันเดี๋ยวพอถึงเวลาความทุกข์มันจะปรากฏขึ้นมาในรูปของคนแก่ ในรูปของคนเจ็บไข้ได้ป่วยในรูปของคนตายที่เราจะต้องไปเป็นกันต่อไปต่อไปเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องตายถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรลองไปดูสถานที่พักคนชรลาดูลองไปทำบุญกับสถานที่พักคนชรลาดู ไปทำบุญกับโงรงพยาบาลของคนเจ็บไข้ได้ป่วยเด้อไปว่าดูคนคนแก่ไปว่าดูคนเจ็บดูว่าเป็นยังไงดูซิว่าเขามีความสนุกสนานเหมือนสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกับที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้หรือไม่แล้วเราต่อไปเราจะไม่เป็นอย่างนี้เด้อเราจะไม่มีวันแก่บ้างหรืออย่างไรเราจะไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรืออย่างไรน แล้วไปดูคนที่ตายที่นอนอยู่ในโรงดูซิว่าเขาทำอะไรได้แลืบ้างหรือเปล่าเขาทำอะไรไม่ได้มีญาติมิเเดจมิศาลรักกันขนาดไหนก็ไม่อยากจะให้อยู่บ้านแล้วเห็นไหมไล่ออกจากบ้านถูกไล่ออกจากบ้านพอตายแล้วถึงแม้จะเป็นเจ้าของบ้าน สร้างบ้านด้วยเงินทองของตัวเองพอตายแล้วลูกหลานกลับขับไล่สายส่งแบบไม่มีความเมตตาสงสารเลยไม่มีใครคิดจะเก็บไว้ในบ้านเลยส่งไปวัดหมดส่งไปกำจัดส่งไปทำลายนวนี่แหละคืออนาคตของร่างกายของพวกเราถ้าพวกเราไม่คิดกันเราจะไม่เห็นพิษของการที่เรามาติดอยู่กับร่างกายมาอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเร า, าในที่สุดพอเข้าสู่ยามวาัยชราเข้าสู่การความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายความสุขต่างๆที่เราเคยหายหามานี่มันจะหายไปหมดสิ่งเจจะปรากฏขึ้นมาก็คือความทุกข์ความเศร้าส้อยหงอยเหงาความว้าเหวความซึมเศร้าต่างๆ ที่จะปรากฏขึ้นมานี่แหละเป็นก็เรียกเป็นยาพิษผ่อนส่งเรากําลังผ่อนส่งยาพิษกันด้วยการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่อยากที่จะไปรับกับสภาพของความแก่ความเจ็บความตายเราต้องเอายาพิษที่เรากําลังเสพกันนี้ทิ้งไปเราต้องทิ้งการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไป แล้วเราไปหาความสุขจากพระนิพพานกัน mm hmm. ถ้าเราไม่หยุดการเสบรูปเสียงเกินลดเราจะไม่มีเวลาไปเสพพระนิพพานนั่นเองมันเป็นทางคนละทิศกันพระนิพพานอยู่ทิศหนึ่ง mm hmm. การเสบรูปเสียงเกินลดนี่อยู่อีกทิศหนึ่ง mm hmm. เป็นคนละทางกันสวนทางกันถ้าเราอยากจะไป หาความสุขจากพระนิพพานเราก็ต้องหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันผู้ที่จะไปนิพพานเขาก็ทำอย่างนี้กันพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างสละการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปหาความสุขจากพระนิพพานด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพราะผู้ที่จะไปถึงพระนิพพานได้ต้องมี เครื่องมือพาไปเครื่องมือที่จะพาจิตใจให้ไปสู่พระนิพพานก็ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองแต่การที่เราจะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราต้องมีแรงปาธนาอันแรงกล้าถึงจะไปได้ถ้าเราไม่มีความปาธนาอันแรงกล้าเราก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่ ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่ยังรักความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังเสียดายความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ก็รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยแต่มันยังรู้สึกว่ามันยังไกลเหลือเกินจึงทําให้รู้สึกว่ามันยังไม่เป็นพิษเป็นภัยยังไม่ได้สัมผัสกับฤทธิ์ของมัน ต้องไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยสักครั้งดูอหน้าเจ็บไข้ได้ป่วยจนเกือบจะตายนี่ฮะก็อาจจะได้เห็นฤึธของความเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเป็นอย่างไระคนบางคนนี้หลังจากหายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็บางทีก็ไปบวชกันเลยก็มีเรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเห็นฤทธิจากการสูญเสียความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นนสดไปเช่นบางคนมีภรรยาแล้วภรรยาไปมีแฟนใหม่พอรู้ข่าวนี้ใจแทบสลายความทุกข์นี้มันกัดกินใจจนกระทั่งอยากจะฆ่าทั้งภรรยาและแฟนใหม่ไปแต่พอได้สติกับเืนมาก็เลยคิดว่านี่แหละคือพิษของความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นนสด ไม่ช้าก็แล้วมันจะพ่นพิษใส่เราเพาเวลาที่มันจากเราไปแบบกระทันหันจากเราไปแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนอันนั้นแ่ะมันจะเป็นเหมือนกับพิษที่จะทำให้เรานี่ถึงกับอยากจะฆ่าคนขึ้นมาได้เมื่อเห็นพิษเห็นภัยของการเสพ ร, รูปเสียงกิรนรสแล้วนี่แหละมันถึงจะทำให้ เปลี่ยนวิธีการหาความสุขได้บางคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจนเกือบจะตายเนี่ยนะพอพ้นออกมาแล้วถึงไปบวชกันหรือคนที่เสียคนรักที่แสนรักไปแบบไม่คาดฝันมาก่อนจะเห็นถึงพิษของความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียหรือบางคนที่ไปติดคุกติดตารางก็พอออกจากคุกมาก็ไปบวชก็มี เห็นพิษของการที่มาเกิดแล้วต้องมาติดคุกเนเพราะเวลาหาความสุขบางทีต้องหาโดยวิธีทำบาปนพอไปทำบาปทำผิดกฎหมายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับไปติดคุกติดตารางได้ ก็เรเห็นพิษของการหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายไม่ติดคุกก็ต้องเจ็บใข้ได้ป่วยถึงเกือบจะตายหรือไม่งั้นก็ต้องเสียคนที่เรารักแบบไม่ไม่คาดฝันมาก่อนพอได้ริกับได้สัมผัสกับพิษของความของรูปเสียงกลิ่นแล้วนี้อาจจะทำให้ขยาดไม่อยากที่จะไปเสพไปสัมผัสอีก แล้วพอมาพบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้หาความสุขแบบที่ไม่มีพิษไม่มีภัยความสุขของพานิพานนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยความสุขที่ได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ไม่พ้นพิษใจเราปลาจากพิษปลอดสารพิษเหมือนผักสมัยนี้เราต้องเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ พราะถ้ามีสารพิษติดอยู่กับผักเดี๋ยวมันพ่นพิษใส่เราเดี๋ยวมันทําให้ร่างกายเราเป็นมะเร็งในตับในลําไส้ในระบบการขับถ่ายเพราะสารพิษมันตกค้างอยู่ในในในผักที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันก็จะไปสะสมในร่างกายของเราแล้วต่อมามันก็จะแผลงฤธิ์ทำให้ร่างกายเราเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาแต่ การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ปลอดสารพิษไม่มีพิษรักษาศีลได้มากเท่าไหร่จะได้ความสุขมากเท่านั้นไม่มีพิษตามมานั่งสมาธิได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากเท่านั้นไม่มีพิษตามมาใช้ปัญญากําจัดกิเลสตัณหาที่ก่อยสร้างความทุกข์ให้กับใจได้มากเท่าไหร่ก็ไม่มีพิษตามมา มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเรียกว่าเป็นความสุขล้วนๆถ้าเป็นผักก็เป็นผักปลอดสารพิษอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันมาม า, มาช่างน้ำหนักกันระหว่างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับความสุขทางศีลสมาธิปัญญาว่วาเป็น อย่างไหนจะมีคุณค่ากว่ากันอย่างไหนจะมีโทษมากน้อยกว่ากันถ้าชั่งน้ำหนักแล้วความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้น้อยกว่าความสุขทางศีลสมาธิปัญญาเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นเหมือนแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไป แต่ความสุขของพาณิพานของศีลสมาธิปัญญานี้มันเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจเราไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็พิษก็ไม่มีพิษจากศีลสมาธิปัญญาไม่มีแต่พิษจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีมากมายกายกองมีมาได้ทุกรูปแบบมาเพราะ ขาดแคลนเวลาอยากได้ไม่ได้ก็พ่นพิษใส่เราอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวก็พ่นพิษใส่เราอยากอยู่กับแฟนไม่ได้อยู่กับแฟนก็พ่นพิษใส่เราหรือสูญเสียสิ่งที่เรารักไปมันก็พ่นพิษใส่เราอันนี้มีแต่พิษแต่ภัยตลอดเวลาแต่เราไม่คิดกันเวลาเราล่อ ง, องห่มล้องห้เราไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์กัน เรากลับบ่นว่าคนนู้นว่าคนนี้แทนที่จะมาศึกษาว่านี่แหละคือพิษของความสุขที่เราหากั น, ม, นมันมันมีพิษตามมาหรือกิจปลาที่มีก้างพอถูกก้างตาปากก็บ่นว่าทำไมถึงมีก้างมาตาปากเราก็เพราะเราไม่ศึกษาก่อนว่าปลานี้มันมีก้างหรือไม่มีก้าง ถ้ามีก้างก็อย่าไปกินมันสิถ้าไม่กินมันแล้วก้างมันจะมาตามปากตามคอเราได้อย่างไรที่มันมาตามก็เพราะเราเข้าปากเราเองฉันใดความทุกข์ที่เราได้รับจากการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปหรือความทุกข์ที่เราได้รับจากการที่เราไม่ได้รูปเสียงกลิ่นลดที่เราปรารถนากันมันก็เกิดจากเรานี่แหละไปเอามันมาเข้ามาในใจของเราเอง ถ้าเราไม่ไปเอามาเข้ามันหายใจเรามันจะมาพ่นพิษใส่เราได้อย่างไรถ้าเราไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันจะเอาความทุกขมาให้กับเราได้อย่างไรอันนี้ต้องใช้ปัญญาคิดกันถึงจะรู้ว่าตอนนี้เรากําลังหาความทุกข์กันไม่ใช่หาความสุขกันรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์เนี่ทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอน มันเป็นของชั่วคราวออทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเออมันเป็นของยืมมาได้มาแล้วเดี๋ยวต้องคืนเขาไป เ, ออเวลาคืนไปก็ทุกข์เพราะไม่อยากคืนออได้อะไรมาแล้วอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่ไปกับใจได้ตลอด เ, ออเดี๋ยวพอร่างกายนี้ตายไป ร่างกายที่เป็นสะพานเชื่อมกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอไม่มีสะพานเชื่อมแล้วใจก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ใจก็จะไม่มีความสุขใจจะมีแต่ความทุกข์พอไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้พอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอันนี่เกิ การชั่งน้ำหนักระหว่างการหาความสุขแบบรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกริ้นกายกับการหาความสุขจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการศึกษาให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้ปัญญาคอยกำจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจให้หมดไป ความสุขของทางศาสนานี้ของศีลสมาธิปัญญานี้เป็นความสุขที่คอยกำจัดพิษภัยต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในจิตใจให้หมดไปนแต่ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะมีแต่สะสมพิษให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ให้มันส่งผลในระยะบ้านปลายของชีวิตเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บหรือเวลาที่ร่างกายจะตายนี่มันจะส่งมันจะพ่นพิษใส่เร า, น, า น, นี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้อง เอามาชั่งน้ำหนักกันมาพิจารณามาเปรียบเทียบกันเหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อรถยนต์สักคันนี่บางทีเราต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอายี่ห้อไหนดีวะยี่ห้อนี้ดีไหมมีข้อเสียอย่างไรยี่ห้อนี้มีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วก็มาชั่งน้ำหนักดูว่าอันไหนดีกว่ากันแล้วเราถึงค่อยตัดสินใจซื้ออันนี้ก็เหมือนกัน การหาความสุขของเรานี้เราหาด้วยสองวิธีด้วยกันหาความสุขจากรูปเสียงเกินลดหาความสุขจากศีลสมาธิปัญญาวิธีหาความสุขจากรูปเสียงเกิดลดนี่มันเป็นวิธีที่หาง่ายกว่าหาความสุขจากศีลสมาธิปัญญามันก็เรียกว่าสุขต้นแต่มันจะทุกปลายอยากจะหาความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกกยนี่ง่ายกดมือถือสั่งพิซซ่ามามันก็มาแล้วอยากจะดูทีวีก็เปิดดูหนังได้ทันทีพอเปิดปุ๊บความสุขก็มาปับ๊บนี่เรียกว่าเป็นสุขต้นแต่มันยะมาทุกปลายตอนที่จะต้อง เ, อเสียค่าไฟเสียค่าผ่อนส่ง ของต่างๆที่เราสั่งซื้อมาถ้าไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวเขาก็ยึดไปเดี๋ยวเขาก็ยึดทีวียึดรถไปยึดสมบัติไปหรือเวลาแก่หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นวิธีที่สุขสุขต้นแต่ทุกปลาย หาหาง่ายตอนตอน้นตอนนี้ตอนที่เรามีกำลังวังชาร่างกายแข็งแรงนี้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ง่ายแต่มันจะมาทุกตอนปลายของชีวิตตอนที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายส่วนความสุขของศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นแบบทุกต้นแต่สุขปลายจะมารักษาศีลกันสักครั้งนี่โอ้รู้สึกหืดขึ้นคอ รักษาสีนห้ารักษาสินแปนี่โอ้คิดแล้วคิดอีกว่าวันนี้จะรักษาได้หรือเปล่าวันนี้ละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาได้หรือเปล่าทําสรอศินแปกก็ละเว้นการรับประทานหารเย็นได้หรือเปล่าคืนนี้ไม่นอนกับแฟนได้หรือเปล่าไม่ดูหนังฟังเพลงได้หรือเปล่าไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากได้หรือเปล่าอันนี้มันจะทาให คนที่เคยติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เอาดีกว่ายุ่งยากเหลือเกินยังอยากแต่งเนื้อแต่งตัวยังอยากสวยอยากงามอยู่ยังอยากหาความสุขจากภา พ, พยนตร์จากการฟังเพลงจากการดูละครจากการรับประทานอาหารเย็นรับประทานดินเนอร์กับแฟนร่วมหลับนอนกับแฟนมันก็เลยรู้สึกว่าแม่ เพียขั้นขั้นแรกนี่ก็ยากขนาดนี้นะรักษาศีลมันเป็นง่ายที่สุดในสามขั้นด้วยกันนะรักษาศีน่าศีลแปดที่มันง่ายกว่าการไปฝึกนั่งสมาธินั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่คิดอะไรนะแล้วมันยิ่งไปเจอขั้นปัญญาให้คิดพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์นี่มันยิ่งยากแสนยากเลยมันก็เลยทําให้ท้อไม่เอาดีกว่าะ พวกที่มาถูกกัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่พอเห็นเงื่อนไขของการไปรับรางวัลที่หนึ่งก็ไม่เอาดีกว่ายอมยอมยอมเจ็บดีกว่ายอมทุกบ้านไปดีกว่าตอนนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บขอหาความสุขไปก่อน ไว้ถึงเวลานั้นก็ฆ่าตัวตายกันก็แล้วกันถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์ตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายก็ฆ่าตัวตายกันสมัยนี้เป็นอย่างนี้กันคนที่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็ทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จกับการหากันอย่างเต็มที่พอถึงเวลาแก่เขาหาไม่ได้เขาก็ฆ่าตัวตายกันเดี๋ยวนี้มีการ รณรงให้ออกกฎหมายอนุญาตให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้ไม่ผิดกฎหมายเพราะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลาจะตายมันไม่สามารถหาความสุขได้ก็ไม่รู้จะอยู่ทนทุกข์ทรมานไปทําไมก็ฆ่าตัวตายดีกว่าฆ่าแบบสบายาให้หมอฉีดยาให้เอฉีดยาแล้วก็หลับตายไปอันนี้คือ แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นการแค่ตายชั่วคราวตายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาความสุขแบบใหม่แบบเกา่าแบบที่เคยหาแล้วก็มาฆ่าตัวตายในว่านปายมันก็จะติดเป็นวงจรอุบาทไปท่านบอกว่าถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งก็จะกลับมาฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยครั้งห้าร้อยชาติ เพราะว่ามันติดเป็นนิสัยมันจะใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาแก้ความทุกข์เวลาเจอความทุกข์ก็แก้มันด้วยการฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราใช้วิธีของศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่มีปัญหาเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเพราะเรายังสามารถมีความสุขได้ศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติใช้กาลังของใจ เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาสร้างใช้สติสร้างศีลใช้สติสร้างสมาธิใช้สติสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่ไม่แ ก, fs, ก่ก็ไม่เป็นปัญหาจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่เป็นปัญหาจะตายหรือไม่ตายไม่เป็นปัญหาและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่มีการกลับมาเกิดมามีร่างกายอีกต่อไป ก็จะไม่มีการติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเรามีทางเลือกใหม่เรามีการหาความสุขวิธีแบบที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างไม่มีวันจบสิ้นเราจะ หาความสุขทางใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วใจของเราก็จะไปถึงพระนิพพานไปรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาและก็จะอยู่กับรางวัล น, นั้นไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะเพราะพระนิพพานนี้เป็นของถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ นี่คือเรื่องของการใช้เวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์กับตัวเราคือเข้าหาพระธรรมคําสั่นคําสอนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีทางเลือกใหม่และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทางที่เรากําลังเดินไปอยู่ในขณะนี้ถ้าเราศึกษาวิธีปฏิบัติเดินไปทางนี้เราจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราเคยได้รับมาจากโลกนี้ ดังนั้นขอให้ท่านหมั่นพยายามเข้าหาพระธรรมอยู่เรื่อยๆศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้หูตาสว่างจะได้มีความรู้ความฉลาดมีแสงสว่างนำทางให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปเสง่ความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระ น, นิพพานการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินางเปตานังอุ ป, ปกบปติอิทิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกะปา จันโทปนณราโสยทามณโจติอราโสยทาสะพีติโยวิวะจันโทสะพรุโควินัสสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวทาทันติอายุวนโนสุขังภาลางังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้เ a c e b o o สา6ร้อยหกสิบเอดค่ะยู u t u สองร้อยสองวิทยุยี่สิบแปดรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยี่สิบสามรวมเจ็ดร้อยสิบสี่ท่านคะ่ะ ใครมีคําถามอยากจะถามนะ่เชิญถามได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษถ้าอยากจะถามภาษาอังกฤษก็ถามได้ถ้ายังไม่มีก็เอาทางบ้านไปก่อนคําถามจากคุณปาล์มค่ะคนที่บ้านชอบไปฟังธรรมทําบุญกับวัดแห่งหนึ่งแต่ตัวเรา รู้สึกไม่สบายใจกับสมณผู้สอนธรรมะองค์นั้นจึงคิดว่าจะไม่ไปวัดนั้นแต่ฝากทำบุญแทนเพราะถ้าไปได้ยินคำสอนบางอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่ดีจะเป็นอกุศลขึ้นไปอีกหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะวางใจเฉยๆไปทำบุญเพราะคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ทำบุญแบบไหนจะดีกว่ากันคะหรือควรทาอย่างไรคะ คือความจริงเราต้องศึกษาว่าทาไมเราจรึงมีความรู้สึกต่อต้านคำสอนของท่านต้องมีเหตุมีผลนะถ้าคำสอนของท่านผิดหลักธรรมนี้ต่อต้านก็ไม่ไม่เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดแต่ถ้าคำสั่งคำสอนของท่านถูกต้อง ต, ตามหลักธรรมเราไปต่อต้านมันก็เป็นความผิดของเราเป็นกิเลส ข, ของเราเพราะฉะนั้น เราต้องควรที่จะศึกษาดูว่าคำสอนของท่านถูกต้องตามหลักธรรมหรือไม่ที่เราไม่ชอบเราไม่สบายใจท่านสอนอะไรแล้วเราลองไปปรึกศึกษาดูจากทิศแหล่งอื่นดูว่าตรงกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะบางทีท่านอาจจะสอนแบบเผ็ดๆร้อนๆธรรมะกรูบาอาจารย์บางรูปเผ็ดๆร้อนๆ ขึ้นมาก็ไม่มีการไหว้ครูขึ้นมาถึงก็เตะกันเลยใสกันเลยถ้าเราเคยชินกับธรรมะแบบเรียบๆง่ายๆฝันหวา น, วานโยมอย่างนั้นโยมอยเาพอเจอมาเจอธรรมะแบบเป็ดๆร้อนๆมึงกูเข้ามาก็อาจจะรับไม่ได้ก็ได้เพราะครูบาอาจารย์บางรูปท่านมีจริตนิสัยที่ไม่เรียบร้อย แต่ใจของท่านนี้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นพวกผ้าคิลิยวห่อทองออถ้าเราไปเห็นผ้าคิลิยวเราอาจจะเกิดความลังเกตขึ้นมาก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นผ้าคิลิยวห่อทองเอีดีกว่าผ้าสวยแต่ห่อขี้น <c oughs> ีบางทีบางท่านแสดงทำหวานเจียมหวานจอยแต่ข้างในนี่มีแต่กิเลสตัณหาเต็มไปหมด ดังนั้นเราต้องศึกษาด้วยเหตุด้วยผลการที่เราจะไปต่อต้านพระนั้นเราต้องดูว่ามีเหตุผลอันใดถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์นี้ก็ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องของเหตุของผลเรื่องของความจริงแต่ถ้าเรายังไม่ถึงระดับนั้นเรายังเข้าไม่ถึงก็อย่าไปต่อต้านหรืออย่าไป ตำนิติดเตียนวิภาควิจารณ์ท่าน เ, เพราะอาจจะไปวิจารณ์ภาคีร้วห่อทองขึ้นมาก็ได้เหตนก็ทําเป็นว่าเรายั ง, งโง่ก็แล้วกันเรายังไม่เห็นภา้าคีร้วว่ามันจะห่อทองได้ยังไงอก็อย่าเพิ่งไปอ่ตัดสินใจ อ, อ, อย่าไปปฏิเสธอย่ายไปรับก็แล้วกันะคนอื่นจะไปก็ปล่อยเขาไปอย่าไปชักชุงไม่ให้เขาไปะ เพราะเขาอาจจะเห็นป้าคิริวหอดทองแล้วอาจจะไม่เห็นเหมือนเขาก็ได้คะคำถามจาคุณระดาภาค่ะข้อแรกทำไมดวงวิญญาณถึงรับรู้ธรรมหรือปฏิบัติธรรมไม่ได้คะก็ไม่มีคนสอนอย่ง น, นถ้าเป็นมนุษย์นี่มีคนสอนอาณาเป็นมนุษย์มีคนสอนยังไม่รับเลย แล้ไม่มีร่างกายไม่มีคนสอนจะไปรับอย่างไรพวกดวง ว, วิญญาณที่เขาสนใจทำก็ยังไปหาทำจากผู้ที่มีกระแสะจิตติดต่อกับพวกดวงวิญญาณได้ถ้ามีพระพุทธเจา้ามีพระอาหารหันต์ที่มีพลังจิตท่านจะแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาพวกที่มีดวงวิญญาณไม่มีร่างกายแต่มี ใจที่ใฝ่ธรรมอยากจะฟังธรรมพอรู้ว่าที่ไหนมีพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้ามาโปรดแสดงธรรมเขาก็จะไปไปฟังกันพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้แสดงธรรมให้กับเทวดาทุกข์ขืนหลังจากที่แสดงให้กับญาติโยมตอนบ่ายให้กับพระภิกษุภิกษุณีตอนหัวค่ำแล้วพยามดึกกับเมตตาพวกเทวดาดังนั้น ก็ดวงวิญญาณก็ยังสามารถศึกษาทำได้ปฏิบัติทำได้ถ้ามีธรรมถ้าใยธรรมถ้าไม่มีธรรมไม่ใยธรรมใยแต่รูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปเสพรูปทิพเสียงทิพกันไปเพลิดเพลินกับความสุขของเทวดาไปคำถามข้อสองคะ่ะเล่น f ฟ c e b o o อิน s ตาแกรมขณะถือศีลแปดนี่ผิดศีลแปดหรือเปล่าคะ ถ้าเล่นก็ผิดเนียถ้าศึกษาก็ไม่ผิดนะถ้าศึกษาธรรมะผ่านสื่อต่างๆนี้ไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นบันเทิงนี่ผิดนะเพราะว่าเราต้องการระ ง, งับการเเสพความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเล่นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กมันก็ต้องมีตามีหูฟังแล้วก็พอเสพรูปเสียงที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็ผิดนะ ไม่ควนเสพแบบนั้นแต่ถ้าต้องการศึกษาธรรมะถ้าเข้ามาในเฟซบุ๊กของพระสุชาตินีม่มีแต่ธรรมะทั้งนั้น <laughs> <laughs> เข้ามาดูได้ไม่ผิดศีลไม่เสพข้อแปดขอโฆษณาหน่อย <laughs> คำถามข้อสามจากท่านเดิมคะ่ะถ้าระหว่างวันในขณะที่เราทำงานเราควรยึดอะไรเป็นหลักในการดำรงชีวิตระหว่างศีล ส, สมาธิปัญญาหรือควรทำไปพร้อมๆกันมีอะไรที่เราควรยึดมากที่สุดในชีวิตคารวาด์ไหมคะก็ควรจะทำสามอย่างหนึ่งทานอย่างน้อยควรจะทำทานวันละหนึ่งครั้งสายบาตรหรือให้เงินขอทาน หรือถ้าไม่มีบาไม่มีพระก็เอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนแล้วพอวันที่เราไปวัดเราก็เอาเงินที่เราสะสมไว้ในกระปุกไปทำบุญทาทานหัดเสียสละแบ่งปันต้องหัดทาบ่อยๆมันถึงจะติดเป็นนิสัยถ้านานๆทาทีมันจะทำยากมันจะเสียดายมันจะตเนีแต่ถ้าหัดทามันละเล็กมันละน้อยมันจะติดเป็นนิสัย พอวันไหนไม่ได้ทําแล้วมันรู้สึกขาดขาดอะไรงั้นพยายามทําทานทุกวันมากน้อยตามกำลังของเราบาทหนึ่งสองบาทก็ยังดีกว่าไม่ทำํำมีเศษเงินเศษทองก็เอาใส่กระปุกไว้ว่าวันนี้ขอทําบุญตามกำลังของเศษเงินเศษทองที่มีอยู่มีเหรียญกี่เหรียญก็เอาใส่ไปนี่คือหนึ่งที่ควรจะทาตามปกติ ทำกับพระทำกับวิคารวาสก็ได้ทำกับขอทานก็ได้หรือเก็บเงินพอก็ไปถ่ายวัวถ่ายโคก็ได้หรือไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ขอให้มีการแบ่งปันเสียสละทำให้มันติดเป็นนิสัยทำให้ได้ทุกทุกวันเพราะมันเป็นเปื่ออาหารของใจทำแล้วใจจะมีความรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจข้อที่สองก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ อย่าทำบาปเพราะการทำบาปจะทำให้ใจเราไม่สบายนั่นเองเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะกังวลใจจะหวาดกลัวเป็นเหมือนวัวสันนังวะเวลาเห็นไข่เขาีะกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราทำบาปหรือเปล่า น, นี้คือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติกันทุกวัน แล้วข้อที่สามภาวนาก็ควรจะทำอย่างน้อยก็วันละสองครั้งก็ยังดีหาเวลาว่าช่วงก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตามกำลังของเราเช้าตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาก่อนไปทำกิจวัตรประจาวันต่อไปถ้ามีการบาเพ็ญทานศีลภาวนาถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับเริ่มต้นก็ดีกว่าไม่มีเลย เพราะเราเมื่อเราไม่เริ่มต้นเราก็จะไม่มีวันที่จะไปได้ไกลแต่ถ้าเรามีการเริ่มต้นเดี๋ยวต่อไปเวลามีว่างมากขึ้นเราก็จะได้ทำได้มากขึ้นเช่นวันไหนวันหยุดเราอาจจะไปอยู่วัดก็ได้หรือเวลาที่เราไม่มีงานทำตกงานเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขึ้นมาตกงานทางโลกแต่จะได้งานทางธรรมทันที งานทางธรรมนี่รับทุกเวลาเพรอมเมื่อไหร่มาสมัครรับได้เลยพอ ว, ว่างจากทางโลกตกงานทางโลกก็มาสมัครงานทางธรรมมารักษาศีลมาภาวนามาฟังเทศฟังธรรมคำถามข้อสี่ค่ะ <c oughs> วิธีกำจัดความขี้เกียจที่ดีที่สุดคืออะไรเช้คะก็คือความขยันเงี้ยยากตรงไหนมันขี้เกียจก็เอาความขยันมาใส่มันสิ วันนี้ขี้เกียจทำงานจะนอนก็รีบลุกขึ้นมาเลยเอาความขยันสู้กับมันคําทำถามจากป้าหวังค่ะถ้าเราจะเริญนสติให้รักษาศีนห้าให้ได้ครบบริบูรณ์โดยไม่สวดมนต์แต่ระลึกถึงคำสอนในบทสวดแทนอย่างนี้จะได้ไหมเจ้าคะก็ได้ ไม่สวดก็ได้ถ้าการสวดก็คือการเรียนหนังสือการเรียนคําสอนนั่นเองเพียงแต่วันเป็นภาษาแขกภาษาบาลีเราสวดไปเราก็จะไม่ได้ความรู้ได้เพียงสติได้เพียงความสงบได้สมาธิจากการสวดแต่จะไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเราอ่านคําสอนเราก็จะได้ปัญญาแล้วก็ได้สมาธิได้สติเหมือนกันเวลาหนังสือธรรมะมันก็เป็นเหมือนสวด เพียงแต่ว่าสวดภาษาไทยสวดภาษาของเราเราก็ต้องมีสติจดจ่ออยู่กับการอ่านเราก็ต้องใช้ปัญญาค่ายคยรพิจารณาเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ได้สติได้ความสงบในระดับของการอ่านหนังสือธรรมะได้คํา yeah. คำถามฝากถามค่ะปกติในหน้าที่การงาน <c oughs> จะมีสิทธิให้ลาป่วยลากิด ลาพักร้อนแต่ถ้าเราโกหกว่าลาป่วยแต่ไม่ป่วยจริงอันนี้ถือว่าเราผิดศีลไหมเจ้าคะก็มันเป็นพิสิ์ของเราที่จะลาป่วยไดเย้เขาไม่ได้บอกว่าต้องป่วยถึงลาป่วยไหมนะ ใช่ไหมหรือหรืต้องป่วยจริงถึงยาลาปล่วยได้ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าตั้งต้องป่วยจริงๆแล้วลาปล่วยแนี้ถ้าไปถ้าไม่ป่วยไปลาปล่วยมันก็ผิดศีลเห็นไะหมเขาโกหกแต่บางทีเขาให้ลาจะเรียกว่าป่วยแล้วไม่ป่วยเขาก็ให้หยุดงานเราจะไปทําอะไรก็เรื่องของเราไป ท, ทําธุระอย่างองื่นเ้วก็ลาปล่วยลากิจไปเถ้าเขาอนุญาตให้ทําได้ก็ไม่ผิดน ก็ต้องถามก่อนว่าคำว่าลาป่วยนี่ต้องป่วยจริงเขเปล่าถ้าไม่ป่วยแต่มีภารกิจอย่างอื่นต้องไปทำเช่นต้องไปเสียภาษีต้องไปต่อบัตรประชาชนต้องไปทำธุระอะไรบางอย่างในวันทำงานนี้วันหยุดไปไม่ได้เขาให้ลากิดได้หรือเปล่าถ้าลาได้ก็ไปเนี่ยทั้งต้องถามถามเขาว่าคาว่าลาป่วยนี่ต้องป่วยจริงจริงเปล่าหรือว่าไม่ป่วยก็ไปได้อนุญาตให้หยุดได้ อันนี้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะถ้าเขาบอกต้องป่วยเราก็ต้องป่วยถ้าไม่ป่วยเราไปบอกว่าป่วยก็โกหกอะไรอาเคำถามค่ะข้าพเจ้าเห็นแล้วใจนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายกับความคิดจึงใคร่ขอแนวทางปฏิบัติต่อครับ นายอ่านใหม่ใช่คาถามข้าพเจ้าเห็นแล้วใจนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคิดจึงขอแนวทางปฏิบัติต่อครับก็ต้องเอาใจนี้ให้สงบอย่าคิดแล้วก็สอนใจให้ฉลาดอย่างโง่อย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากกันไปในที่สุดเนี่ก็ต้องคอยฝึกทำใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขในตัวเองเมื่อมีความสุขในตัวเองก็จะไม่หิวกับความสุขจากสิ่งอื่นๆก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าความสุขจากสิ่งอื่นๆแม้จะเป็นความสุขมันก็มีความทุกข์ตามมาได้ไม่คุ้มเสียซึ่งเอาความสุขจากความสงบเพียงอย่างเดียวดีกว่า หมดแล้วเลยโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหม <Okay. S 2> ช่วงนี้คำถามจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะถามมาไม่รู้กี่ปีแล้ว mm hmm. คงจะหมดคำถาม mm hmm. คนใหม่ก็ยังคงยังไม่ค่อยมีเข้ามามีแต่คนเก่าคำถามทั้งหลายที่ถามก็ได้ตอบไปหมดเข้าใจกันหมดแล้วที่นี้อยู่ก็เพียงอยู่ในการนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลเท่านั้นเอง ดังนั้นเราได้ยินได้ฟังอะไรได้รู้อะไรนี้ยังเป็นครึ่งหนึ่งของการเดินทางเป็นเหมือนกับการดูแผนที่เเมื่อเราดูแผนที่แล้วเรารู้ทางที่เราจะไปไปอย่างไรขั้นต่อไปเราก็ต้องออกเดินทางกันเราต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเรานำาอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือผลของการปฏิบัติมีเป็นแบ่งเป็น เก้คขั้นด้วยกันมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องกระทากันต่อหลังจากมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาถามตอบปัญหาต่างๆที่เข้าใจแล้วมารู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็นำออกไปปฏิบัติถ้ารู้แล้วไม่นำออกไปปฏิบัติก็ยังไม่เกิดผลขึ้นมาแต่ถ้าไปปฏิบัติโดยไม่รู้ก็จะปฏิบัติแบบผิดได้ ดังนั้นต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนเมื่อรู้แล้วก็ต้องนํามาไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับมีคําถามมามหมยังไม่มีมีแล้วคะะ่ะอาจารย์มีก็ถามต่อคําถามจากประหวังคะ่ะถ้าเลิกซื้อหวย เลิกซื้อลอตเตอรี่ได้นี่ถือว่าจเจริญในธรรมหรือยังเจ้าคาะเจริญแล้วก็ละอาบายามุกไปได้หนึ่งตัวคือการเล่นการพ น, นันวิธีที่จะละนี่ต้องใช้เหตุผลคนมาบ่นว่าเลิกเล่นไม่ได้ทันทีก็ลองใช้ทำบัญชีดูสิเิดว่าการเล่นการพนันก็เพื่อให้เราได้กำไรเรานั้นเราก็ต้องจดบัญชีหดือยวว่าเราได้เท่าไหร่เราเสียเท่าไหร่ เราสิ้นปีมาบวกลบคูณหารดูว่าได้กำไรหรือขาดทุนถ้าขาดทุนก็แสดงว่าค้าขายไม่เจราญก็ปิดล้านดีกว่าอย่าไปขายขายแล้วมันปิดขาดทุนไม่ขายมันทำไม เล่นซื้ออัลตรีแล้วมันขาดทุนซื้อมันไปทําไมต้องดูที่เหตุผลสิอย่าไปดูที่ความหวังโอ้ ย, ยังมีความหวังจะถูกวันที่หนึ่งอยู่นั่นเน่ะถ้ามันหวังอย่างนั้นจะวันตายมันก็ไม่มีวันถูกสัทีต้องใช้ความจริงอย่าไปคิดถึงความหวังคิดว่าปีนี้เราเล่นมาตั้งแต่มกกลาเนี่ยเดี๋ยวธันวาเนี่ยเราเสียไปเท่าไหร่เราได้มาเท่าไหร่ แล้วบวกลบคูณหารดูว่ากำไรหรือขาดทุนถ้ากำไรก็เล่นต่อไ ป, ถ, อไปถ้าขาดทุนก็เลิกเล่นดีกว่าเอาเก็บเงินไว้เฉยๆไม่เหนื่อยไม่ดีกว่าเลยเข้าใออหมอวิธีนี้คือวิธีที่จะเลิกการซื้อล็อตเตอรี่ได้ต้องใช้เหตุใช้ผลอย่าไปใช้อารมณ์อย่าใช้ไปความรู้สึกถ้ารู้สึกว่าโอ้ยงวดหน้าต้องถูกเนะี่ย <laughs> <laughs> แล้วก็ผิดหวังทุ่ ง, งวดไป คำถามจากคุณบุญชูค่ะเมื่อเรามีการนั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจำวันไปสักระยะหนึ่งบางครั้งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราโดยที่เราไม่ได้คิดเองแบบนี้คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติใช่ไหมครับก็เพราะมันหยุดคิดนะสิมันถึงความรู้สึกว่าเรามันก็หายไปความสุกเรามันก็เกิดจากความคิดของเราเอง พอคิดปับเรามันก็ผล่ขึ้นมาพอหยุดคิดปรับเรามันก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ไปตัวคิดหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้งั้นพยายามฝึกสมาธิบ่อยๆทําจิตให้สงบอย่าคิดบ่อยๆแล้วเราจะได้รู้ว่าเราก็คือเป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเอง พอเราหยุดคิดเรามันก็หายไปร่างกายมันก็ไม่เป็นเราใจก็ไม่เป็นเราร่างกายก็เป็นดินน้ำหนุนไฟใจก็เป็นธาตุรู้เท่านั้นเองรู้อย่างนี้แล้วต่อไปก็ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่ยึดไม่ติดก็ใจก็จะไม่ทุกข์เนี่ยที่ทุกข์เพราะไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราพอมันเป็นของเรามันก็อยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆพอมันไม่เป็นของเราก็เลยทุกข์ขึ้นมา คำถามจากคุณชูศักข์ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนั่งสมาธิควรเริ่มอย่างไรครับเพิ่งฟังครั้งแรกครับก็ลองนั่งเลยสิถ้าไม่ลองนั่งก็ไม่รู้จะนั่งหลับตานั่งท่าไหนก็ได้ขับสมาธิได้ก็ดีขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก่อนนั่งห้อยเท้าไปก่อนแล้วก็ควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป หรือถ้าจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจเข้าออกไปเท่านี้แหละวิธีนั่งสมาธิง่ายจะตายไปปัญหาก็คือตั้งท่ากันนานหลือเกินกว่าจะได้นั่งกันอย่างวิธีเริ่มก็ง่ายนักทำเดี๋ยวนี้เลยลองทําตามที่เราบอกเนี่ยนั่งหลับตาตั้งตัวให้ตรงอย่าให้งอนะแล้วก็พอตั้งร่างกายเสร็จไม่ต้องไปกังวลว่ามันงอหรือไม่งอมันเองหรือไม่เองให้อยู่กับการท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจ เริ่ม อ, อยู่กับการดูลมหายใจเนี่ยถ้าปฏิบัติแบบไม่มีความรู้มาก่อนมันจะไม่มีอะไรมาคอยขวางถ้ารู้มากเดี๋ยวมันจะนั่งคิดไว้ตอนนี้ถึงไหนแล้วเว้ยถึงชานขั้นที่หนึ่งอยังเอะนั่งคราวที่แล้วสงบทำไมคราวนี้ไม่สงบวะเนี่ยมันจะยุ่งใบใหญ่ยินถ้าไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันจะนั่งแบบไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยมันจะมันจะได้ผลมากกว่าคนที่รู้มาก พลรู้มากแล้วมันไปนั่งคิดกันมันไม่ได้ไปนั่งดูลมมันไม่ได้ไปนั่งพุทโธกันนะอย่างถ้าไม่เคยรู้เรื่องอะไรดีแล้วเนี่ยลองนั่งเลยนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับพุทโธไปหรือถ้าดูลมก็ดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้ า, าหายใจออกก็รู้หายใจออกทาแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยว ผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาแต่ไม่บอกเดี๋ยวบอกก็ไ่นั่งคิดอีกว่าเป็นยังไงคำถามจากคุณชุติการค่ะการพิจารณาอสุภะต้องเริ่มจากจุดไหนคะมันจับจุดยากเจ้าค่ะมันเลือนลางค่ะก็ท่องชื่อมันไปก่อนสิ ผมขนเล็บฟันหนังเนื no. ้อเอ็นกระดูกท่องให้มันจำได้เหมือนท่องสูตรคูณนะเพราะท่องจำชื่อได้ทีนี้ก็มานึกถึงอาการเนี่ยผมมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขนมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนลิ้นเนื้ออยู่ตรงไหนเอ็นอยู่ตรงไหนหนังอยู่ตรงไหนกระดูกอยู่ตรงไหนเนึกไปถ้านึกไม่ออกก็ไปเปิดดูภาพได้ภาพโครงกระดูกมีเยอะแยะไป อยากจะดูตับไตไส้พุงก็ไปเปิดดูภาพในอินเทอร์เน็ตได้ดูแล้วก็มาจดมาจำไว้แล้วก็มานั่งนึกถึงมันเหมือนกับนึกถึงแฟนใช่ไหมทาไมเวลานึกถึงแฟนนึกได้วะแฟนอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนยังนั่งนึกได้เลยโอ้หน้าตายอย่างนั้หน้าตายอย่างาางี้ทำให้โครงกระดูกที่มีอยู่ในตัวเรานึกไม่ออกเชีวนะ คำถามจากคุณปาล์มค่ะเวลามีงานบุญในวัดเช่นทอดกรถิน่นทอดผ้าป่าจะมีการตกแต่งดอกไม้ใบตองอย่างประณีตเทียบกับวัดป่าที่มีพิธีเรียบง่ายตกแต่งอย่างเรียบง่ายอยากทราบว่าการจัดงานวัดอย่างสวยงามอลังการมันจําเป็นสําหรับพิธีการในวัดหรือไม่เจ้าคะมันก็แล้วแต่วัดเนะี่ยถ้าเขาเคยทํามาเป็นธรรมเนียมมันก็เป็นความจําเป็นไปโดย ปริยายว่าที่เขาไม่จัดมันก็ไม่มีความจำเป็นถ้าถามว่าจำเป็นไม่ไม่ต้องเลยเผาศพไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นขอให้มีฟืนอย่างเดียวมีฟืนอย่างเดียวจุดไฟเผาเนี่ยคนจนแถวอุดรตอนที่เราไปอยู่บ้านตากเวลาตายก็ยกศพไปตั้งไว้ในป่าชาตัดฟืนมากองไว้แล้วก็ลงศพก็ทำด้วยไม้ไผ่ปะด้วยกระดาษเนี่ย ถึงเวลาก็พาจุดไฟเผาเลยไม่ต้องมามีเบนมีอะไรต่างๆมากมายต้องไม่มีคนาน า, าประธานมาถวายผ้าชักผ้ามีการประกาศอะไรต่างๆก็งานศพก็คือการเผาศพนั่นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เท่าไหน่ใช่ไหมงานศพก็ขอให้มีฟืนนั้นะเหมือนเวลาจะย่างไก่ลขอให้มีเตาใช่ไหม เตาย่างไก่มีปืนมีฐานไม่ต้องไปชอยมาคนนั้นคนนี้มาเอออันนี้ก็เหมือนงานงานศพก็คือเผาศพนั่นเองเพราะทิ้งไว้มันจะเน่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นมันจะเป็นมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาก็เลยเผาให้มันกลายเป็นขี้เถ้าไปนั่นเองอยังนนี่คืองานศพแบบเรียบง่ายก็เผามันท่านั่นเองของพระพุทธเจ้ า, านี่ท่านบอกให้เอาผ้ามาพัน รอบพระร่างกายห้าร้อยห้าร้อยรอบได้ไงเนี่ยแล้วก็ใส่ไว้ในลางมีน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาไวเท่า น, นั้นเองจบไม่มีต้องมีจัดดอกไม้ไม่ต้องมี น, นมู่นมีนี่มีคนเอาดอกไม้ไฟมาวางมาเวรงอะไรให้วุ่นวายไปหมดเนี่ย น, นี้คืองานเผาศพคำถามจากระหวังค่ะทำไมเวลานั่งสมาธิมักจะเห็นวิญญาณ เป็นเหมือนคนแต่มีหลายรูปแบบแวบบมาแวบบไปค่ะเพราะเราไม่มีสตินี่นั่งมีสติมันไม่เห็นหรอกเราต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเราไปนั่งนั่งคิดนึกคิดมันก็โผล่ขึ้นมาอย่าไปนั่งอย่าไปนึกอย่าไปคิดให้อยู่กับพูโธพุโทโธพุโทโธไปถึง แ, แม้มันมาเราก็อย่าไปสนใจมันเพราะพุโทโธเรายังไม่สม่ำเสมอยังไม่ต่อเนื่อง มีช่องว่างมันก็โผล่ขึ้นมาได้ส่วนใหญ่มันก็เป็นจากความคิดปรุงแต่งของเราเองนั่นแหละจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปถ้าพุโทโธมันต่อเนื่องเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เกิดมันก็จะหายไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบต่อไปคำถามชาคุณชอบป่าเจ้ป่าค่ะควรสวดมนต์บทไหนดีครับในแต่ละวัน สวนที่เราจำได้นะบทไหนสวนได้ก็สวดไปอยากจะสวดมากสวดน้อยก็สวดหลายๆรอบก็ได้สวดคำเดียวก็ได้พุทธโทคำเดียวก็เป็นบทแล้วเนี่ยสวดพุทธโทไปนยง่ายที่สุดอย่าไปสวดแบบเปิดหนังสือมันต้องใช้ตาต้องรับรู้มันก็จะส่งจิตออกข้างนอกเราต้องการดึงจิตเข้าข้างในสึ่สวดแบบไม่เท่ไม่ต้องลืมตาดีกว่าไม่ต้องดูอะไร นั่งสลับตาแล้วก็สวดสวด ส, สั้นๆแต่สวดหลายๆรอบ ก, ก็ได้พุทธังสาระนังกระฉามิเนี่ยทำมังสาระนังกระฉามิสังคังสาระนังกระฉามิก็สวดมันซ้ําไปซ้ำมาอยู่เนี่ยมันก็ได้โดยถ้าจําบทสวดมนต์ได้ยาวก็สวด ย, ยาวไปก็ได้แต่อย่าไปเปิเปดหนังสือดอูไปหัดท่องจําให้ได้ก่อนแล้วค่อยมานั่งสวดดับตาะบทนั้นน<า><า>่ะอีกคำัามค่ะพระอาจารย์ การนั่งสมาธิเอาหลังพิงจะผิดไหมครับไม่ผิดหรอกแต่มันสบายแล้วมันจะหลับนะทีไม่พิงเพราะมันสบายสบายแล้วมันจะหลับงั้นนั่งอย่ามีหลังพิงดูพระพุทธรูปมีหลังพิงหรือเปล่ามาไม่มีนะนั่งแบบไม่มีหลังพิงมันจะได้มีสติสตังมันไม่สบายเพราะต้องคอยควบคุมต้องบังคับให้มันนั่งะ